หวังพระนิพพานในปัจจุบันเนี่นะมิแต่อยากคิดหอดต็ดที่นอนเะนะมันบอง่ายๆมันบอกโกลวยๆปบนนั้นนะทั้งอยากได้นิพพา น, ท, น, น, นทั้งกินและนอนเจอหน้ากันก็นมีแต่โสกันนะ <laughs> มันไม่กลายมันมันไม่ง่ายบรรนเด้มันบกวยบรรณเด้โอ้ืึถ้าเป็นอยู่อย่างนี้แม้แต่ปรารถนาพระศรีอานยังไม่เจอท่านเลยพระศรีอารเนี่ยจะเจอท่านง่ายๆเหรอจะได้ไปร่วมขบวนเดินไปกับท่านได้เหรอ ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญาอย่างยิ่งมไม่ใช่ธรรมดาก็จะไปก ว, ะกว่าจะกว่าจะกำจะจัดสรรมาให้ประสบพบเห็นกับท่านนะพระศีรยาเมตไตรเนี่ยยิ่งเราไม่สนใจด้วยแล้วเนี่ยมันเกลียดไม่ถึงดอกเกลียดไม่ถึงสอบไม่ผ่านไม่มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอละ ผู้ทีตั้งใจคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดจะไปกับขบวนพระกัคุสันโธกับโกนาคำโนพระกัสปโรมมาถึงพระโคตโมเนี่ยเป็นผู้ที่รีบเร่งบําเพ็ญขวนขวายคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดอืมันไปกับท่านยังไม่ได้ด้วยความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายาม บุญในหัวใจของเขาก็กมีมากโดยเหตุที่เขาเก็บอบรมสั่งสมไว้พระศีระยะเมตไตรถึงจะมาเก็บตกท่านถึงจะมาเก็บตกพวกเราเนี่ยเก็บตกจากพร ะ, พระาศาสนาของพร ะ, พระโคโดมเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่คนมีบุญไปเกิด คนมีบาปไม่พบไม่เจอและในระหว่างที่พระองค์มาตรัสรู้เนะี่ยพวกเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละอดี๋ยวคิดว่าพระเรยียระยะเมตตาอยู่ข้างหน้าแล้วจะกล้ยๆจะได้เจอทําง่ายๆไม่เจอนะทําขนาดเราเรานี่ไม่เจอดอกอืมทําขนาดพระพายะนะั่นถึงจะได้เจอพระพายะชาติสุดท้ายก่อนที่ท่านจะดับ ที่วัยชนมาและก็ม า, าบตดอีกมาเกิดทันพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนั้นท่านท่านเป็นสมณะท่านท่านเป็นสมณะ ท, ท่านเป็นนักบวชท่านเป็นพระนี่แหละพากันไปบำเพ็ญเพียรเอาเป็นเอาตายใส่เลยว่างั้นเถอะมีสหายอยู่ด้วยกันสามสี่สหายเนี่ยพากันขึ้นไปบนเขาเขารนอน เข่าล้นขึ้นยากนะพอขึ้นไปได้แล้วก็พลักบันไดลงเลยพลักบันไดลงหลวก็ลงไม่ได้ดอกนอกจากโดดให้ขาแข้งหักเท่านั้นแหละตั้งใจต้องตั้งใจภาวนาอดอยู่นั่นแหละมุ่งว่าใครได้บรรลุทมเป็นพระอาหารหันต์แล้วจะได้เหาะเหาะไปหาบินทบาทหม่ฉันนุงนเว้ตั้งใจเด็ดเดียวถึงขนาดนั้นบางองค์ก็ได คุณจะทำชั้นนั้นชั้นนี้บางคนก็ตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาบางคนก็คว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดเนี่ยจะติดมือจะติดไม่ติดจะติดไม่ติดจะเกาะไม่ติดหลุดหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดอย่างพระพายยะเน่ยในที่สุดก็ไปไม่หลอดก็เสียซะ ก, ก่อนดับชีวิตตินรีดับซะ ก, ก่อนตายซะ ก, ก่อนพอตายซะ ก, ก่อนด้วยเรี่ยวแรงที่ตั้งใจบําเพ็ญเพียรนี่แหละ มาเกิดทันจัตสนาพระพุทธเจ้าของเรามาเกิดเป็นลูกของพ่อค้าพาณิชย์เป็นลูกพ่อค้าไปค้าขายต่างเมืองโตมาแล้วไปค้าขายต่างเมืองซัมเพาลแตกกลางทะเลนั่นซัมเพาแตกกลางทะเลก็เสื้อผ้าผ่อนอ้ไก็หลุดลุ่ยหมดหรือแต่ตัวล่อนจนันทะในแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งก็เกาะมา อดทั้งอดข้าวอดน้ำอดอะไรอยู่ในทะเลนั่นแหล ะ, ะมาก็มีบุญน่ะไม่ตายซะก่อนแผ่นกระดานก็ได้พาลอยมาขึ้นที่ท่าเรือท่าเรือหนึ่งชื่อท่าเรือสุปรากะสุปรกะพอคนเ็าเห็นไม่นุง่งผ้าไม่นุ่งอะไรเห็นคนแปลกแปลนะ่ะเขาก็เลยเห็นโอ้คงจะนี่แหละพระอรหันต์ นี่แหละพระอาหารหันต่างคนไปกราบไปไหวไ้ไปนู่นไปนี้เอาไปให้เอานี่ไปให้ก็เลยไปเอาใบไม้เนี่ยเอาใบตองมาเย็บเย็บกระปกปิดเอาเวิญญาเจ้าของพอกันละอายนิดหน่อยเท่านั้นแหละก็อยู่งั้นแหละเอเราทําตัวอย่างนี้กลับเขาเห็นเราเป็นพระอาหารหันต์เขาเห็นว่าเป็นเราเป็นพระอาหารหันต์ก็เลยหลงตัวเองไปสักพักหนึ่งเขาเอาเสื้อผ้าเอาเอาอะไรดิบดีมาให้ไม่เอา ถ้าเอาแล้วเดี๋ยวคนจะไม่คนจะไม่ชมว่าเป็นพระอรหันต์นะจะไม่ขลังมันนั่นแะไม่เอาพออยู่มาอยู่มาก็เทวดาที่เคยไปบําเพ็ญธรรมด้วยกันเนี่ยแหล ะ, ะเป็นพระด้วยกันไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะไม่ได้ไม่ยังไม่ได้อะไรเหมือนกันนั่นแหละตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเลยเอ๊ะหมู่เราเพื่อนเราเนี่ยมันจะชักจะไปใหญ่แล้วอ่าไปหลงตัวเองไปลวงโลก เลี้ยงชีพอีกแล้วนี่ก็เลยไปบอกท่านยายอยู่อย่างนี้เลยรีบไปกราบพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอยู่ตรงนั้นตรงนั้นที่นู้นที่นู้นรีบไปรีบไปไปกราบท่านฟังเทศจากท่านพระพระภาหิยะก็ไปนะก็ไปก็ไปพบพระพุทธเจ้ากํลาลังบิณฑบาตอยู่ก็ขอฟังเทศหนึ่งครั้งพระองค์ก็ไม่แสดงสองครั้งก็ไม่แสดงพอครั้งที่สก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่า ชีวิตของข้าพระองค์จะตายวันตายพรุ่งขอพระองค์โปรดเมตตาแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ในโอกาสนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังย่อๆเธอจงเห็นสักเทว่าเห็นได้ยินสักเทวาได้ยินได้ฟังสักเทว่าได้ฟังได้กลิน่นได้สัมผัสได้รสได้อะไรสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าฟังแล้วก็ทำใจตาม ยังไม่จบหนึ่งคาถานะมลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยพอมลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชเอหิภิกขุไม่มีผ้าที่จะลอยมาพันกายปกติบวชต่อนหน้าพุทธเจ้าเนี่ยเขาว่ามีผ้าลอยไปพันกายเอหิภิกขุเธอจงมาเป็นภิกษุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนจะมีผ้าลอยมาพันแต่พาหยิยะเขาว่าอา น, นิสงส์ไม่เคยถวายผ้าเอาไว้ไม่เคยทําบุญด้วยผ้า ก็เลยไม่มีอเนสงฆ์พระุทธเจ้าก็เลยให้ไปหาผ้ามาบวชพายักก็เลยไปหาเขีย่ยผ้าตามกองอยากเยื่อตามกองขยะในระหว่างที่เขี่ยอยู่นั่นแหละปฎิบัวหากินอยู่แถวนั้นยักษ์ซีนีตนหนึ่งเนี่ยได้ช่องทางเพราะอะไรเพราะว่าพายะเนี่ยได้เป็นพระอรหันแล้วจิตได้มรุกเป็นพระอรหันแล้วแต่ยังไม่ได้บวชนะคือว่ากรรมมันจะตามไม่ทันแล้วล่ะ ไอ้พวกมารที่เคยเป็นเวรเป็นภัยกันเนี่ยมันจะตามไม่ทันแล้วพอมันได้ช่องตอนนั้นเน่ยมันจะเอาตอนนั้นแหละเนี่ยมันจะเอาตอนนั้นก็เลยยักตัวนี้ไปสิงบัวบัวก็เลยไปชนท่านตายมรณภาพพระพุทธเจ้ายังเสด็จผ่านบินทบาทไปเลยไปเห็นไปเห็นว่าโอ้ถูกบัวชนตายแล้วก็เลยพาลูกศิษย์เอาไปทําบุญไปชาวพนักิจนี่พระพายะ เป็นพรรหันต์ประเภทขีปนาวพิญญาตัศรุได้เร็วเนี่ยตั้งข้อหลุดคว้าหลุดค้อหลุดถึงขนาดนี้ถึงจะไปประสบพบเห็นได้ไม่งั้นไม่เจอแล้วโอ้ไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนแล้วแหละอืโดยเหตุที่สร้างมหากุศลเอาไว้ถึงขนาดนี้กรรมมันก็จัดสรรของมันแหละเป็นเหตุให้ไปพบไปเจอจนได้แหละเนี่ย ใครได้ทางความเพียรด้วยเรี่ยวแรงถึงขนาดนี้พระเสีิยะาเมตรไตรบุญกุศลที่ส่งเรามาอาจจะทำให้เราไปเกิดพพนันไปเกิดพบนี้ไปเกิดไปเกิดไปเกิดมาับไปเกิดในภพที่มาร่วมพบชาติกับพระองค์กับพระเียรยะเมตรไตรในยุคที่คนมีอายุสองหมืนปีเนี่ยคนมีบุญทั้งนั้นแหละปกครองบ้านเมืองด้วยศีลห้า ใครมีโอกาสไปฟังเทศจากพระศิริยาเมเหตุไตรไลแล้วมีโอกาสบรรลุธรรมเป็นส่วนมากพรศา ส, สนาของพระองค์นั้นเป็นศาสนาของคนมีบุญไปเกิดพระองค์สร้างบารมีมาเนิน่นนานเหลือเกนินก็จะได้ตรัสรู้ธรรมยุคอายุคนสองหมืนปีนี่ตำนานท่านพูดเอาไว้เราเพียงแต่ปรารถนาแต่ปากไม่ได้ดอก เพราะว่าเราไม่ได้สร้างเหตุให้พอปากตั้งเอาไว้เป็นกลุยหมายป้ายทางแต่ว่าตีนต้องเดินไปข้อปฏิบัติละความชั่วประกอบความดีนะครับทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพยายามทําใจของตัวเองให้บริสุทธิ์นี่เข้ากับหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เว้นชั่วทําดี ละชั่วทุกสิ่งทุกอย่างทำดีทุกสิ่งทุกอย่างทำดีพื้นพนแล้วก็ทำดีขยับเข้ามาทำดีถึงขั้นระดับงานของจิตทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิห์หมดจดจากกิเลสทำได้ปฏิบัติได้กระไดบรรลุธรรมถึงที่สุดหมดภพหมดชาติเนี่ที่เราพูด ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุว่าในวัฏสงสารเนี่ยมันเหมือนทะเลเพลิงอันเร่าร้อนทะเลเพลิงอันเร้าร้อนเพราะเราเป็นสัตว์ที่เมาบัตรในอัตภาพนี้ในภพในภูมินี้เป็นภพภูมิของคนมีกิเลสมาเกิดภ พ, พภูมิไหนก็ตามเรายังไปอบัติอยู่ภพภูมินั้นก็คือยังมีกิเลสพาเราไปเกิด เยที่เรามีกิเลสในหัวใจกิเลสจึงพาเราไปเกิดมีพพมีชาติจะอยากดีมีจนจะสุขสะดวกสบายจะเป็นราชามาหากษัตริย์เทฐีกระดุมพีขนาดไหนก็ตามก็ไปเกิดตามบุญตามกรรมที่เจ้าของเจ้าของสั่งสมอบรมไว้บางทีก็เป็นเทวดาบางทีก็ละเอียดขึ้นไปอีกเป็นอินเป็นพรหมเป็นอะไรไป บางทีก็ตกต่ำตกต่อยไปนู่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นายบายเป็นเปรตสัตว์นรกเป็นอสุรกายไปแล้วแต่พบภูมิมันจะเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปตามกิริยาของกรรมที่เราทำนั่นแหละกายกรรมทําไม่ดีวจีกรรมทําไม่ดีผิดศีลด้วยกายผิดศีลด้วยวาจา เพราะฉะนั้นผู้ตั้งใจรักษาศีลอย่างเด็ดขาดแค่ศีลห้าเนี่ยตั้งใจรักษาอย่างเด็ดขาดคนนั้นตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมสามารถอบรมให้ได้มรดยผลได้ไม่มีอะไรมากีดขวางไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดขวางไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรเป็นสักคาวรอน มักขาวนไม่มีอะไรห้ามสวรรค์เราไม่มีอะไรห้ามนิพพานเราห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานขยับจากสินห้าไปก็ละเอียดเข้าไปอีกสินห้าปานาอธินนาค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเทศดื่มสุราเมรัย เนี่ยินห้าความประพฤติของคนเราในโลกนี้ถ้าเผื่อเราประพฤติตกต่ำไปจากสินห้าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไปตั้งใจทำความภาคความเพียรสักเท่าไหร่โอกาสที่เราจะรู้ทำเข้าใจทำก็ยากก็เพราะอะไรเพราะความประพฤติของเราถ้าหากมันตกต่ำไปจากศินห้าแล้วมันเป็นความประพฤติที่เป็นไปตามอำนาจของตันหา ปัญหาในหัวใจของเราถ้าเราจะเทียบกับก็คือสิ่งที่เป็นยางเหนียวเหมือนเป็นเหมือนไม้สดเหมือนยางเหนียวถ้าเราจะเทียบตัวเรากับเหมือนของเรานี่เป็นไม้สดสดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ําอีกชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่ยอยู่ในน้ำํำเขาว่าแช่ยอยู่ในน้ําก็คือมีครอบครัวผัวเมียกันอยู่ในบ้านนั่นแหละ คลุกเคล้าคลุกคลีกันอยู่ตลอดระยะเวลานั่นแหละแช่อยู่ในน้ำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทําอะไรตามอํำนาจของตันหาเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ําบุรุษต้องการสีให้เกิดไฟไฟกับน้ำํำมันเป็นปฏิปักษ์กันเอาไปสีมันก็หมดโอกาสที่จะทําให้เกิดไฟขึ้นมาได้ความร้อนที่ไหนมันจะเกิดขึ้น ในเมื่อไม้ที่ย้มาสีนั้นเป็นไม้สดข้างในชุ่ชมแฉะไปด้วยน้ําน้านาํายางแล้วกันยังแช่อยู่ในน้ําอีกท่านว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าท่านว่าเหนื่อยเปล่ารวมแล้วคือมีกายยังไม่ออกจากกามยังคลุกคลีด้วยกามมีใจยังไม่ออกจากกามมีกายยังไม่ออกจากกามมี ใจยังไม่ออกจากกามถือว่ายังคลุกคลีอยู่ในกามเหมือนกับไม้ชุ่มแฉะด้วยน้ำนั่นแหละเอาไปสีเกิดไฟน้ํากับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันไฟที่ไหนมันจะเกิดได้ตันหามันชุ่มแปรอยู่ในหัวใจของเราในขณะเดียวกันเรามาปฏิบัติเพื่อชะเพื่อล้างให้ตันหาเหล่านี้ให้หมดไป ท่านว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าท่านจึงให้เอากายออกจากกรรมให้เอาใจออกจากกรรมเสียก่อนถึงจะค่อยมาเร่งเร่งความภาคความเพียรอผู้มีกายออกจากกรรมก็คือไม่คลุกคลีอยู่กับบ้านกับเรือนผู้มีใจออกจากกรรมก็คือผู้ที่สงบสงัดจากอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นมโนธรรม น้อมนึกในหัวใจคือผู้ที่มีอารมณ์อันหนึ่งเดียวตั้งใจบริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตก็สงบแน่วไม่ถูกรูปประสัยญญหลอกอสัตว์ไม่สุกรูปประสัญญาไม่ถูกสัญญาที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมันหลอกเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้จึง ไม่คลุกคล้าอยู่กับการไม่คลุกคลีอยู่กับการเป็นจิตที่มีความสงบมีองค์ฌานเป็นอารมณ์นี่เราสงบได้ความสงบตั้งแต่ฌานที่หนึ่งเป็นต้นไปท่านถือว่าจิตออกจากกามจิตออกจากกามได้เอาจิตที่ออกจากกามได้นี่แหละไม่คลุกคลีไม่คิดคำหนึง่งไม่หวนคำหนึง่งถึงครอบครัวผัวมีอะไรแต่ไรล้วแล้วก็เอา ที่เป็นอิสระอย่างนั้นเนี่ยมาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองจึงพอจะค่อยๆ ค, คุยคุยเคลียเียแค่ๆขยับไปได้ถ้าเป็นถ้าเป็นไม้ก็คือไม้สดถ้าเป็นไม้ก็คือไม้แห้งไม่ได้แช่อยู่ในน้ำเป็นไม้แห้งเน่ยบุตต้องการเสียให้เกิดไฟก็ยังพอมีหวังจะ ให้การเสียดสีนั้นเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะไม้มันแห้งเหมือนบุรุษที่เอาไม้แห้งที่อยู่บนบกสีอย่างถูกต้องตามวิธีที่จะทําให้เกิดไฟเพื่อจะได้ไฟใช้แต่ถ้าสีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุดไฟก็ไม่ติดสีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุดมันก็ไม่ติดเหมือนบุคคลมีกายออกจากการและมีจิตออกจากการแล้วทําความเพียรย่อห ย, ย่อน ทำหยุดทำหยุดทำหยุดบุคคลที่3บุคคลที่4่มีกายออกจากกามแล้วมีกิดออกจากกามแล้วรู้วิธีทาความภาคความเพียรอันประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ทำต่อเนื่องพืชไปไม่ยอมหยุดเหมือนเหมือนอย่างเราถูไม้ถูไม้เกิดไฟถูถูถถถถ พอเห็นสนัญลักษณ์เป็นควันเป็นขมเหลาดำดำเป็นฐานแดงแดงอะรก็เร่งใหญ่เลยเหมือนคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดนั่นแหละนี่ลักษณะนี้ทวักคว้าหลุดคว้าหลุดเร่งเอาเต็มที่จนคว้าได้ติดมือเหมือนกับว่าไฟมันติดพอไฟติดก็ถือว่าเราได้ไฟใช้เราได้ไฟใช้ธรรมะที่จะพึงเจริญงอกเงยเจริญงอก ง, งามในหัวใจก็เช่นเดียวกัน ถ้าให้ฟัง อ, อุปมาอันนี้แล้วเราก็จะไม่สงสัยในพฤติกรรมของตัวเองในการศึกษาธรรมในการประพฤติทธรรมในการปฏิบัติธรรมเราดูที่แค่ขั้นแรกเนี่ยเอากายออกจากกามนี่เราก็ทำได้ไหมเอาจิตออกจากกามอีกตั้งหากให้จิตได้รับความสงบเนี่ยนี่ง่ายหรือ ย, ยาก เ, าเรานั่งภาวนามื่อกี้นี่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราอยู่กี่นาที หงดงดหงิดหงิ ด, ง ด, ง ด, งดขยับนวนขยับนี่ซอกทากซอกซากออกอแอกแออยู่เนี่ยอืมแต่ับความสงบสงัดอยู่กับอารมณ์เดียวยาวสักเท่าไหร่พอสักสิบขณะจิตไหมพอสักครึ่งชั่วโมงไหมเมื่อกี้เรานั่งชั่วโมงครึ่งกว่านี่แค่เราพยายามจะเอาจิตออกจากกามเนี่ยจิตนี้มันคลุกเคล้าไปด้วยกาม ถ้าเราจะเทียบกับเหมือนขอบข่ายของจิตที่เต็มแปร่ด้วยอํานาจของตัณหาขอบข่ายของมันก็คือโคจรนอ่าคยจรเป็นรูปนี่เขาเรียกรูปรูปปองคยจรเสียงกลิ่นรส พ, ะพะุพธะตัมมารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตตรงนี้มันจะโคยจรไปประสบพบเห็นมันเกลือกมันเกลือกกลัวอยู่กับสิ่งต่า ง, างๆทั้งหลายทั้งพวงเหล่านั้นแหละ มันชุมแปรด้วยอำนาจของกามไม่มีโอกาสที่เราจะไปตัดกระแสให้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาตัดให้มันอยู่เอางานอย่างอื่นมาทาแทนพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธให้มันสงบแค่นี้เราก็ง่ายหรือยากเราก็ดูดีมันง่ายหรือมันยากแต่การตั้งใจรักษาศินยิ่งนั้น ก็ยังจะ ง, ง่ายกว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพติผิดในกรรมเนี่ยโดยเฉพาะศีลห้าไม่ผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขานี่ก็ถือว่าใช้ได้ยังเกี่ยวข้องกับสามีตัวเองภรรยาตัวเองได้ท่านว่าเป็นไฟอย <c oughs> ยังสวยราคะอย่แต่เหมือนกับการใช้สอยไฟในเตาไม่ลุกลาม ไม่กำเริบเสบสารทั้งำให้ลุกลามไปไหม้ที่อื่นมันยังไฟมันยังอยู่ในเตาเราตั้งใจปฏิบัติเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวขนาดนี้เราก็มีโอกาสจะได้เข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมได้นี่ถ้าเราปฏิบัติหย่อนยานไปจากสิน5เนี่ยไปไม่ได้เลยเหมือนกับเราพยายามที่จะสีสีไม้สดๆให้เกิดไฟนั่นแหละ สีไปก็เหนื่อยเปล่าสีไม้สดสดชุ่มด้วยยางยังแช่ดึกอยู่ในน้ําอีกยิ่งสีไปก็เกิดเหนื่อยเปล่าสีไปก็เหนื่อยเปล่ า, ห, ลาหรือเราจะถ้าเราจะเทียบอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกัเราวิทน้ําในเรือนั่นแหละวิดอยู่นั่นแหละแต่ไม่ยอมอุดรูอุดช่องที่มันไหลทะลักเข้าไปขังอยู่ในเรือนั่นนะไม่ยอมอุดอืเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเหนื่อยเปล่าเนี่ยเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้น ศินหก็ตามศิน8ก็ตามถ้าเราป ฏ, ปฏิบัติอย่างละเอียดละเอียดทีท้วนเป็นอธิอธสินแล้วเราสามารถเป็นบาตรเป็นฐานได้มรดกได้ผลขึ้นมาได้สินห้าสินล8แต่ศินแปกับศินหมันต่างกันนะต่างกันมากนะละเอียดกว่ากันมากนะ สินแปดข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเหมือนกันกับศินห้าแต่ข้อสาคนละโลกไปเลยศินห้ายังให้บริโภคกามสามีภรรยาของตนเองได้แต่ศินแปดเกี่ยวข้องไม่ได้เลยละเอียดไหมอ่าอันหนึ่งอันหนึ่งยังให้ลิลมรสชาติอยู่แต่อันนึงตัดเด็ดขาดเนี่ยเราดูดี่ละเอียดไหมอ่าถึงจะมีความอยากอ่ามีความต้องการมีความอะไรขนาดนั้ตัด แบบว่าขาดสะบันหางดิ่นเล็กๆเล ๆ, ๆเหมือนหางที่จบนั่นท่านว่าที่ว่าละเอียดถึงขนาดนั้นเกี่ยวข้องกับใครก็ไม่ได้สามีกับภรรยาของตัวเองก็เกี่ยวข้องไม่ได้การที่เราถือศินเปดละเอียดไหมแค่เราอดสิ่งที่เราต้องการแค่นี้เราดูสิมันสาคัญมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นศินจึงเป็นเครื่องเกื้อกูล ให้จิตของเราละเอียดขึ้นละเอียดขนาดไหนเราก็ดูไปที่อ่าแม้แต่สี่ห้าท่านไม่ได้ห้ามอ่าตั้งใจปฏิบัติเดีเดยวกไ็ได้ได้ธรรมะก็จริงแต่ยังบริโภคกามได้แต่ด้วยอาศัยเรียวแรงว่าถึงแม้ว่ากายยังไม่ออกจากกามแต่พยายามเอาจิตออกจากกามเมื่อเอาจิตออกจากกามได้ถึงแม้เราจะถือศี่ห้าอยู่อ่าก็เหมือนกับไม้แห้ง เราสามารถสีให้เกิดไฟขึ้นมาได้พอเราได้ความสงบจิตห่างจากกามจิตห่างจากอารมณ์กามสามารถเอาอารมณ์ของจิตที่สงบนั่นแหละมาทำงานได้พิจารณาทำลายความหลงของตัวเองได้แต่สินแปดละเอียดขึ้นไปอีกไม่เกี่ยวข้องเลยตัดความห่วงใยอะไรเอาวรตัดความกังวลทั้งหมด สิน5สิขส้ข้อ3ข้อ4ไม่พูดเท็จพูดยาพูดซอเสียดพูดเพยเจ้อเหลวไหลพูดซอเสียดคือพูดกระแทกแดกกระทบกระแทกแดกดันพูดใส่รายป้ายสีนี่พูดซอเสียดยุยงส่งเสริมให้คนผิดกันทะเละาะเบาะแว้งกัน อ, อันนี้เป็นเหตุทําให้คนดีๆนี่โอ้ยเสียใจมาก มีคนมาใส่ร้ายเสียดสีใส่ร้ายใส่ร้ายป้ายสีเรื่องไม่จริงปั้นขึ้นมาให้เป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จปั้นขึ้นมาให้เป็นเรื่องจริงคนไม่จริงก็ไปกล่าวหาว่าเป็นอย่างนั้นกล่าวหาว่าเป็นอย่างนี้หนึ่งทำลายชื่อเสียงสองผู้นั้นได้ยินได้ฟังแล้วก็เสียใจเสียใจบางคนไม่ได้ยินบางคนไม่รู้เรื่องในเมื่อมีคนนั้นเอาไปพูดอย่างนั้นเอาไปพูดอย่างนี้ ก็เป็นเหตุจับเรื่องผิดๆไปพูดเป็นเหตุเสีย อ, อกเสียใจะบางคนสามีภรรยาบางคนมีคนส่อเสียดบางทีแยกกันกลางคันเลยนะมีคนส่อเสียดะมีคนส่อเสียดแม้แต่เทวดาอเทวดาเกเระไปส่อเสียดพระเถระพระเถระสององค์ท่านติดกันท่านสนิทกันมากไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันติดกันเปิดมันปาทั้งโขวังนั้นเถอะนะ เทวดาเกเรเห็น เ, เลยนึกสนุกขึ้นมาเออเราจะทําให้พระสององค์นี้แตกกันนะ <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งพระสององค์น่ะท่านเดินผ่านดงไปองค์หนึ่งจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแหละให้องค์นี้คอยอยู่ก็มองตามไปเออท่านเข้าป่าไปไปถ่ายหนักหรือถ่ายเบาขึ้เรื่องของท่านไปพอส่วนหน่งส่วนหน่งหนึ่ ง, งท่านถ่ายเสร็จแล้วท่านเดินกลับมาเนี่ยไอเทวดาเกเรได้ช่องอลไรตัว น, นี้อ้า แปลงเป็นผู้หญิงเดินกระพือผ้าถามทํำให้เพื่อนมองไปเอา้ามันไปเสียศีลแล้วนี่เห็ น, นผู้หญิงเดินกระพือผ้าถามต า, ายแล้วโอ้ยเข้าใจผิดแค่นั้นเองไหรเทวดาน่ะอะพระที่เป็นเพื่อนกันน่ะเข้าใจผิดแล้วเนี่ยพระเข้าใจว่าพระองค์นี้ไม่นี่นุนเห็นไหมนั่นะผู้หญิงคนเดินถามกระพือผ้าไหมเทวดาผีว่า แต่กันตั้งแต่นั้นน่ะไม่เจอกันเลยต่างคนต่างไปคนละทิละทางเน่เห็นไหมคนดีดีเนี่ยเทวดาตัวนั่นก็นเลยได้รับบาปได้รับกรรมไม่รู้ท้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แหละมาสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาอุบัติขนาดมีนิสัยที่จะได้เปลี่ยนพระรหัสแล้วก็ตามนะท่านเดินไปในโดยบาปด้วยกรรมที่ท่านไปไปแปลงเป็นผู้หญิงเดินตามพระออกมาเนี่ย กรรมอันนี้ก็ติดตามตัวเองนะไปที่ไหนก็มีรูปผู้หญิงเดินตามดอ่ยตัวเองมองไม่เห็นหรอกแต่คนอื่นมองเห็นนมีผู้หญิงเดินตามเป็นเหตุให้เขานินทาทําให้เขานินทาเอ๊ะพระนี่ทําไมต้องไปสองคนกับผู้หญิงสองต่อสองเนี่ยนเะห็น ไ, ไหมเราดูที่กรรมมันละเอียดไหมเราไปแกล้งเขายังไงครับกรรมมันก็ได้อย่างนั้นเห็นไหมเราไปแกล้งเขายังไงกรรมก็ได้อย่างนั้นเนี่ยสินห้าสินแปด ศินแปดสุราสุราในสินแปดหรือสินห้ากินไปแล้วก็มีโทษเหมือนกันอสามารถผิดสินหมดทั้งทั้งหมดเละถ้ากินเหล้าเข้าปากแล้วศินข้อหกไม่รับทานอาหารในยามวิการรับทานได้เช้าชวดเที่ยงอ่าหลังเที่ยงไปจนถึงอารุณ์ขึ้นวันใหม่ถือว่าเป็นยามวิการรับทานไม่ได้อันนี้ท่านบังคับไปในตัวว่า จะรับทานภายใน6ชั่วโมงจากนั้นแล้วก็เหลือ18ชั่วโมงนี่ก็ให้เป็นระยะเวลาที่ร่างกายนี่ันเบาสบายจากอาหารเต็มแปร่ยอยู่ในท้องสักหน่อยจึงให้มีเวลารับทานได้แค่เช้าชวดเที่ยงไม่รับทานอาหารในยามวิการถ้ารับทานอาหารในยามวิการได้ก็คือหิวตอนไหน จุกจิกจิกินจุกจิกจุกจิกอยู่นั่นนสนองความอยากความอยากนี้มันไม่มันไม่อิ่มมันไม่พอได้อันนี้ขึ้นมาได้อันนี้ขึ้นมาได้บริโภคสมอยากแล้วมันมันก็หิวนั้นอีกแต่นั้นมาบริโภคสมอยากมันก็หิวนั้นอีกเอาได้อนั้นมาบริโภคสมอยากหิวอันนั้นอีกมันหิวตัวพืดตัวผือกี่เลนในหัวใจมันอิ่มไม่ไม่อิ่มมีไม่มีอิ่มไม่มีพอแต่ร่างกายเขา แค่ได้อาหารแค่อยู่ได้เท่านั้นเองแค่เขาได้อาหารแค่เขาอยู่ได้โดยเฉพาะเช้าช่วเที่ยงถ้าไปจะชันสองมื้หรือส ม, มื้ออีกโอ้ยก็เหลือเฟือและรามาคิดดูว่าเรารับทานมื้อเดียวเนี่ยเราอยู่ได้สบายนอกจากนั้นแล้วเราก็อดกันคนละท่านั้นวันทนันนีวันสองวันสมวันห้าวันหากเราอดไปแล้วร่างกายมันปรับตัวของมันเองร่างกายมันปรับตัวของมันเอง นีวิกาลโภชนานัจคีมาลานี่นัจคีมาลาไม่ประดับประดาไม่ไม่ไมดิดสีตีเป่าไม่ประคมดนตรีไม่ดิดสีตีเป่าไม่เข้าไปดูไปฟังเขาร้องรำทําเพลงประคมดนตรีเพราะสิ่งเหล่านั้นทําให้เราเพลินทําให้เราเพลิดเพลินทําให้จิตใจเราเนี่ยคึกขนองทันจึงห้าม ห้ามฟังขับร้องประโคมดนตรีแล้วก็ห้ามตกแต่งมาลาคันธวิระนะีพณะรูปร้ายด้วยเครื่องหอมอแต้มเล็บแต้มปากจำคิ้วอประเทืองผิวด้วยเครื่องสําอางอมีกลิ่นคลุ้งอยู่นั่นน่ะแต่ว่าตกแต่งมาลาป ร, ประดาประดาตกแต่งรวมไปถึงเสื้อผ้าอาภรณ์อ่า ที่ใส่ไปแล้วชวนให้คนอื่นสนอกสนใจนะเดินผ่านใครก็อดมองไม่ได้แหมพอเขามองมานี่รู้สึกก็ชุ่มก็เชื่อก็ชุ่มก็ช่วยในหัวใจแล้วเกินนี่คือกิริยาแห่งความหลงต้องบอเป็นกิริยาของความหลงแต่ถ้าเราใส่ราดใส่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใส่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเราจะอาจจะใส่แฟชั่น ก็ได้แต่เราดูในเจตนาว่าเราไม่ได้ประดับประดาเราไม่ได้ตกแต่งเรามีอย่างนี้เราใส่อย่างนี้นี่เราก็ดูไปที่เจตนาของเรามันละเอียดนะเป็นเรื่องของธรรมะนี่ข้อที่แปดข้อที่เจ็ดเท่ากับสองข้อของของศินเนนนะนัจคีกับมาลานเะท่ากับสองข้อของศินเนนอุจจายานะมหายานะที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัตยนุนและสำลี ที่นั่งที่นอนนอนในที่นั่งที่นอนนอนบนที่นั่งที่นอนสูงและใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีสมัยทุกวันนี้เขาเรียกบาลีบางทีข้างในไม่ได้ยัดด้วยนุ่นและสำลีอ่ายัดด้วยใยสังเคราะห์ยัดด้วยผ้านิ่มๆข้างในเออไม่ใช่ไม่ใช่น no ุ่นนอนได้ไม่ใช่สำลีเออนอนได้บางทีมันสูงแค่นี้เออแค่นี้ยังไม่สูงบางทีใหญ่ขนาดนี้เอยขนาดนี้ยังไม่ใหญ่ สามารถนอนได้คืเรื่เลี่ยงบาลีที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เวลาเราหลับนอนไปแล้วเวลาไปขึ้นไปนอนมันทําให้สดวกสบายนอนหลับไม่ต้องตื่นมาทําอะไรกันแหละแล้วก็ได้ที่นั่งที่นอนสะดวกสบายอย่างนั้นมันมันชักจะ ก, กําเริบถึงเรื่องกามเนี่ยไหมท่านจึงห้ามห้ามท่านจึงระมัด ร, ระวังมากศีลจึงเป็นเครื่องเกื้อกูลกับธรรม ทำที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราอาศัยศีลเป็นเปลือกเป็นกระพีะ้มารักษากิริยากายให้เป็นปกติมารักษากิริยาวาจาให้เป็นปกติศีละศีละท่านว่าแปลว่าปกติปกติให้กายงามเป็นปกติให้วายจ่างามเป็นปกติไม่ผิดศีลถ้าผิดศีลก็คือไม่ปกติถ้ากายทุจริต ไวจีทุจริตนี่ก็ถือว่าไม่ไม่ปกติแล้วแหละมันไม่มันไม่ปกติมันก่อกรรมทำเขียนทีนี้กายปกติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพืชผิดในกามวาจาไม่พูดเท็จพูดอยาพูดซอเสียดพูดเฟอเจอก็ถือว่าปกติไม่ทุจริตด้วยกายไม่ทุจริตด้วยวาจาถือว่ามีมีกายมีวาจาเป็นปกติ ไม่ถูกกิเลสสอเสียดมาให้กำเริบทางกายไม่ให้กำเริบทางวาจามีระบบมีระเบียบมีข้อบังคับเช่นอย่างสินห้าคือมีสินห้าเป็นข้อบังคับสินแปดก็มีสินแปดเป็นข้อบังคับมีองค์ประกอบอยู่ในนั้นมีข้อประพฤติปฏิบัติอยู่ในนั้นในเมื่อเรากิเลสทลักออกมาทางกายทางวาจาไม่ได้มันก็โดดดิ้นอยู่ภายในใจภายในใจท่านก็ให เอาพุทโธมากำกับอีกให้มันนึกเรื่องอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราอุดรูอุดช่องะที่กระเลียมยาแทรกมาทางกายทางวิจาแล้วเราก็ไปวิตข้างในใจของเราเนี่ยพุทโธพุทโธมันคือวิตข้างในแล้วน่ะวิตไปในเรือน้ําที่ขังอยู่ในเรือนราวิตออกวิตออกวิตออกน้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเก่าเราก็พยายามวิตออกวิตออกวิตออกวิตออก อันใหม่ไม่เข้าอันเก่าเราวิทออกวิทไปถลายมันก็หมดไปเท่านั้นวิทไปถลายก็หมดไปท่านั้นมันตรงกันข้ามเราวิทออกวิทย์ออกแต่เราไม่อุดรูอุดรั่วอุดรูรั่วอ่าเพลอซะหน่อยหนึ่งอา้าวเต็มขึ้นมาอีกแล้ววิทไม่ยอมหยุดอ่ะวิทไปไม่ยุไม่ยอมหยุดไอ้ที่รั่วไหลเข้าไปกับรั่วไหลเข้าไปหยุดอ่ะเต็มขึ้นมหมีแล้วนี่เป็นข้อปฏิบัติสังวรประทานอระวังบาป อกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานประหารประทานบาปเก่าที่ที่มีแล้วที่เป็นแล้วท่านให้พยายามพิจารณาคลี่คลายเพื่อ ผ, ผ, ผ่นผันบรรเทาลดล ะ, ละเลิกได้ในที่สุดจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เข้าในหลักประทานอของอริยมรกมีองค์8ดด้วยเหตุนั้น จะเลี้ยถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจทํารักษาของใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเก่าเขาพยายามละมันก็สามารถจะเหือดแห้งหดหายไปจากหัวใจของเราเบาบางไปจากหัวใจของเราจนได้สินห้าสินแปดสินห้าอ่าสิลห้าสินหถือว่าเป็นศินตั้งใจสมาทานอ ตั้งใจสมาทานสมาทานด้วยสัจจะเราจะตั้งใจสมาทานถือว่าบวชถือศีลห้าก็ได้ถือว่าบวชถือศีลหกก็ไ ด, ด, ได้เหมือนอย่างพวกบวชเป็นสมมเนธสิกมานาสิกมาศสิกมาศสั ม, สมนเนรีนั่นแหะเขถือศีลหกมีวิการรพ ย, ยนาอีกข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นนักบวชได้ศีลห้าก็ถือว่าเป็นนักบวชได้แม้แตตาฤาษีตั้งสัจจะถือ อันนั้นเท่า น, นั้นข้ออันนี้เท่า น, นี้ข้อก็ถือว่าเป็นนักบวชได้อ่าสินแปดก็ถือว่ามาสมาทานแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชได้ถือเอาเฉยๆนะมันไม่ใช่ต้องผ่านวิธีเหมือนอย่างที่คณะสงฆ์ท่านทำถือเอาเฉยๆด้วยสัจจะตั้งตั้งใจด้วยสัจจะอย่างศินแปดนี่เราก็ตั้งใจถือโดยที่เราไม่ต้องโกนหัวก็ได้แต่ศิน แต่ไม่ชีในเมืองไทยนี่เรานิยมโกนอ่าโกนให้เหมือนพระให้มันต่างจากคนในบ้านอืมแท้จริงเราไม่โกนเราก็สามารถถือศีลแปดได้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์สมมติเราจะบวชก็เหมือนอย่างเขาบวชชีพราหมณ์กันเนี่ยเขาบวชโ ด, ดยที่ไม่ต้องโกนก็ถือว่าบวชได้ถือศีลห้าถ้าเราจะตั้งใจจะบวชก็ได้ศีลหกของสมณเณรีเนี่ย ตั้งใจจะบวชก็ได้โดยความตั้งมั่นถือสัจดจ์จะประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพุธิเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเรี่ยวแรงด้วยตั้งสัก จ, จา์ที่ฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อ, อแต่ว่าที่เป็นชัดเจนก็เย็นอย่างการบวชของพระสงค์บวชของสมณเณรบวชสมณเณรก็คือให้ระลึกถึง เข้าถึงตรสรณคมมีรูปติเจ้าพระธรรมประสงค์พุทธังสนรรังกัจจามิธรรมังสรนังกัจจามิสังขังสรนังกัจจามิวรรธที่สองวรรธที่สามเนี่ยได้สําเร็จเป็นสัมมณีและก็สมาฐานศิ้นสิบนี่ถือว่าบวชสําเร็จเป็นสัมมณีบวชสำหรับบวชพระสงฆ์เราอย่างทุกวันนี้บวช ด, ด้วยยติจตุตต ะ, ะกรรมอุปสัมปทาอันนี้ก็ต้องผ่านการคณะสงฆ์ มีพระอุปชัชฌานําเข้าบวช แ, แล้วก็ต้องมีคณะสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปเป็นต้นไปนะถึงจะบวชได้สี่องค์ในบวชไม่ได้อองค์หนึ่งเป็นพระอุปัชฌายะอีกที่เหลือจะต้องครบสงฆ์คือสี่องค์รวมไปแล้วเป็นห้าถึงจะบวชถึงจะบวชสําเร็จเป็นเป็นสังฆกรรมแห่งการบวชได้เหมือนกรถินเลยแหละกระถินน่ยผู้ที่จะรับกรถินได้จะต้องมีห้าองค์ องหนึ่งรับกฐถินอีกอีกองเป็นเป็นสงเป็นสงการบวชการบวชในปัจจันตประเทศคือบ้านนอกเหมือนอย่างเราเงี้ยบวช5องค์ก็ได้หนึ่งอุปชายยะแล้วก็มีพระสองอีก4รูปเป็น5รูปและมีกุลบุตรอีกหนึ่งองหรือ2องค์หรือกี่องค์ก็ได้บวชนี่สามารถให้สำเร็จสังฆกรรม มีการสวดถามอันตรายยิกธรรมอ่ามีการให้บวชเนนมีการให้นิสัยมีการสวดถามอันตรายรายิกระธรรมมีการสวดมีการสวดยตัติจะตุทะกามะอุปสัมปทาอ่ายัติหนึ่งรอบอนุสาวนาอีกสามรอบครบเป็นสี่วรรคกับยตัติอ่ายัติ การสวดยติเลยตั้งคำรรสวด ร, รมวิจารสามรอบตั้งยติหนึ่งรอบสำเร็จเป็นสงเสร็จแล้วก็บอกอนุสา์อย่างที่เราบวชเนี่ยบอกอนุสาดนี่สายสี่กรณียกิจสี่นี่สายสี่บวชมาแล้วอา ศ, า ศ, า ศ, าศาายัยอะไรถ้าบบนี้สายสีนุงผ้าบางสกุลเป็น อ, อ, อินทบาทเลี้ยงชีพนุ่งหอมพ้าบางสกุล อยู่โคนไม้ฉันอยากดองด้วยน้ํำมุดเน่าอบิณฑบาตอยู่โคนไม้ฉันอยากดองด้วยน้ํามุดเน่าถืออืมถือพระบางสกุลนี่ปัจจัยสี่อันนี้เป็นกลยกุทธ์ควรทำ อ, อาหารจะได้ยังไงบิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มได้ได้ยังไง ถ้าบางสุกุลที่อยู่อาศัยมีอะไรอ่โขนไม้ยุกยาได้อะไรดองในน้ํามูดของตัวเองนี่นะพระพุทธเจ้าะเป็นไงทารุณไหมอุทธิยาท่านมอบหมายตั้งแต่สมัยนั้นนี่เป็นกรณียกริจนะบวชมาแล้วจะต้องทําอย่างงี้ความเป็นอยู่จะต้องทําอย่างงี้ทีนี้ อ, อากกรณียกิจกิจไม่ควรทํา เสเมถุนห้ามเด็ดขาดลักของเขาได้ราคาหนึ่งบาทห้า ม, มาสกเนี่ยห้ามเด็ดขาดฆ่ามนุษย์ให้ตายห้ามเด็ดขาดพูดอวดคุณวิเศษว่าจะของได้มรกได้ผลแต่ไม่มีอะไรสักอย่างนี่จะเรียกว่าอวดอุตริมนุษธรรมทั้ง4อย่างนี้ท่านถือว่าขาดจากความเป็นพระฐานะเป็นปาราชิก เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมวินัยของพระองค์บวชมาแล้วก็มีข้อประพฤติมีข้อประพฤติมีข้อปฏิบัติแต่เราบวชชีชีพรามก็ตามทําไมเขาจึงเรียกชีพรามเพราะพวกพรามอยู่บ้านเมืองของพวกศาสนาพรามนั่นหละเขาหนุ่งขาวหงษ์ขาวหมดนะหนุ่งขาหงม์ขาวหมดเขาไม่ได้โกนก็ที่พวกเราก็เลยอยาก เป็นขาวเหมือนเขาเลยวเลยเรียกชีพรามถ้าเถีนก็ไม่โก้นบวบวชเถียนชีเถีนชีหมายถึงชีพรามบวชไปแล้วก็มีข้อปฏิบัติตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติก็ดังกล่าวนั่นแหละเราถือศีลห้าอย่างเด็ดขาดตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลอไม่ห้ามสวรรค์และก็ไม่ห้ามนิพพาน แม้ต้องถือสินแปดหรือต้องถือสินสิบหรือต้องถือศินสองยี่สิบเจถือสามารถบรรลุทำได้ถือสินเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่สามารถเอาไม่ตั้งใจเอากายออกจากกามใจออกจากกามหรือไม่เอาใจเอากายออกจากกามมาแล้วแต่ใจยังครุกคลีอยู่แต่ก็เรื่องกามโอกาสที่จะเอาใจตรงนี้ไปทํางานให้ละเอียดขึ้นไ ป, นไปกว่านั้นมันก็ไปไม่ได้ มันก็กลางวัน ผ, ผูกพันอยู่แต่ก็เรื่องกามก็เหมือนไม้สดชุมในยางหละเอาไปสียังไงมันจะเกิดไฟขึ้นมาได้ถือศีลมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามถือศีล น, น้อยแค่ห้าแต่สามารถทำให้จิตสงบเอาจิตออกจากกามได้เราอยู่คารวาสนี่แหละเราเอาจิตขอเราออกจากกามนั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่เทียงนานั่งอยู่มุมสวนอ่านั่งอยู่โคนไม้ในไร่ เราได้มุมสงบแล้วก็ทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางจากตันหาอุปาทานพอจิตเริ่มสงบจิตก็ออกจากกามได้ไม่คลุกคลีด้วยรูปโดยเสียงด้วยกลิ่นโดยรสโดยสัมผัสอืพร้อมที่จะเอาจิตตรงนั้นทํางานให้ละเอียดขึ้นไปเพื่อให้ได้มรรคได้ผลได้ไม่งั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เสียประโยชน์หมดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุเป็นแนวหน้า อุบาสกอุบาสิกาเป็นแนวหลังภิกษุภิกษุณีเป็นแนวหน้าในตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจประพฤติธปฏิบัติไม่ได้ทำมาหากินอาศัยอุบาสก์บาสิกาเป็นผู้อุดหนุนปัจจัยสี่เครื่องอยู่เครื่องความเป็นอยู่แต่ว่าไม่เสียเสียทีเป็นอุบาสกเป็นอบาสิกาตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้มักได้ผล ยังไม่ได้ออกบวชมีมากมายเยอะๆในสมัยพุทธกาลเราไม่เสียเปรียบกันไม่งั้นศาสนธรรมของพุทธเจ้าก็เสียเปรียบ<ม>สหรับผู้ที่ตั้งใจรีบเร่งขวนขวายเพื่อได้มรกได้ผลจริงๆเพราะมันยังมีเครื่องมาผูกพัน<ม>บีบังคับให้เราได้ปฏิบัติให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างสิ้นสิสินสงีิบีย2ตนี่ วินัยถือว่าเป็นข้อละเอียดเป็นข้อบังคับไปในตัววินัยแต่ละข้อก็เป็นธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อเหมือนกันนั้นที่ท่านบัญญัติขึ้นมาเนี่ยธรรมแต่ละข้อศีลแต่ละข้อก็เป็นธรรมแตละข้อนะธรรมแต่ละข้อก็เป็นศีลแต่ละข้อเว่าแต่ว่าเราตั้งใจปฏิบัติเด็ดเดี่ยวจริงจังมีสัจจะเป็นเกณฑ์เป็นประมาณถ้าไม่มีสัจจะแล้วก็อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละอถ้ามีอธิษฐานด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีก อธิษฐานแล้วก็ตั้งสัจจะแล้วก็พยายามเดินให้ไปได้ได้ให้ได้ตามนั่นอมยังไม่จใจดีี่ก็เหมือนกันนะท่านไม่ได้โกนธนะท่านผมยาวๆท่านก็มาบวชอยู่วัดรักษาศีลแปดมาตั้งเนิ่นนานท่านได้อัดได้ทำใครได้อ่านใครได้ฟังประวัติวันที่เผาวันที่สิบแปดเนี่ยอ่าท่านก็ได้มักได้ผลได้อาดได้ทำของท่าน มีใครได้รับแจกหนังสือบ้างหนังสือที่เป็นรประวัติชีวิตของท่านเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยไม่มีมีใครมีเอามาให้ดูบ้างฮะใครได้บ้างเออามาให้อ่านแน่ยังไม่ได้อ่านเลยวันนั้นเนี่ยวันนั้นเขาอ่านตอนงานเผานั่นน่ะเราก็เป็นจ้ากว่าที่ครูบาอาจารย์เรียกกันไปปักไปปักหลักที่จะสร้างเจดีเนี่ยเลยไม่ได้ฟังเลย อ่าเพื่อที่จะไปให้ทันลุงปู่ทั้งสองลุงปู่นั่นแหละลุงปูล่ลีลุงปู่มีนก็เพื่อนนั่งรถไปเนาะไอเล่าเดินไปไหมตั้งแต่นี้ไปถึงนู่นโอ้ยลินห้อยนั่นแหละเดินไปนั่นแหละไม่มีรถไปอะ่ะถ้าจะหารถนั่งไปก็ได้อยู่แต่เราโอ้เราเดินไปก็เลยได้หมู่ใหญ่เดินไปวกทีมันต์ตาเราเป็นทีมใหญ่เดินไปไปเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้ให้หมด ปัญหาเรื้อรังมาปีสองปีสามปีแหละเจดี JD ยังไม่ได้ขึ้นเราจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เนี่ยนี่มันก็เป็นอยู่อย่างงี้แหละพวกเราไม่มีใครเสียถ้าเสียโอกาสให้แก่กันและกันแหละตั้งใจปฏิบัติได้มักได้ผลเหมือนกันหมดขอให้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็พยายามเดินไปอย่าไปว่าเฉยๆว่า ปรัถนามักผลนิพพานในปัจจุบันนี้เธอเนี่ยจะไม่เคยภาวนาเลยไม่เคยเนินจงกรมเลยไม่เคยพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองเลยเรายังไม่ได้อยู่ในเส้นทางแล้วก็ยังไม่ได้ก้าวไปแล้วเมื่อไรมันจะใกล้เข้าไปจะใกล้เข้าไปน่ะไอเขาค่อยๆหัดพิจารณาค่อยๆหัดทําความสงบค่อยๆพิจารณาเหมือนกับเขาไม่หยุดอยู่กับที่หรอกยังเขาก็ค่อยขยับไปขยับไปขยับไปขยับไป มันหักสังสมอบรมของมันเองงานที่เราทําน่ะมันเริ่มมันสังสมมันอบรมของมันเองอนี่ตรงนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสําคัญไอ้ตรงที่ยังไม่เดินไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเดินไปทิศทางไหนต่างหางอีก อ, อันนั่นอีกและไอ้ผู้ที่ตั้งใจจะไปอยู่แล้วแล้วก็ขยับไปแล้วแล้วก็ขยับไปถูกถู ก, ถกทิศถูกทางเสียด้วยนี่เราดูสิมันเสียเปรียบกันขนาดไหนไอ้คนหนึ่งยังไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเดินไปเส้นไหนมันจะถูก ยังไม่ได้ขยับเลยด้วยซ้าไปยังไม่ได้ตั้งเป็นเป้าหมายว่าจะไปด้วยซ้าไปกับไอ้คนหนึ่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยคิดว่าใครจะถึงก่อนอ่าคนที่เขาตั้งไว้ก่อนได้ก่อนเขาจะได้ถึงก่อนเพราะฉะนั้นใครถึงก่อนใครถึงหลังอ่ก็เป็นเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของเราเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่เสียโอกาสตั้ง อ, อกตั้งใจทาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบัน เพื่อความเจริญงอกงามไปบูนแห่งธรรมะในหัวใจของเราในโอกาสต่อๆไปอ้าวจบเอวังอา้าวกับซ้าจะ น, นี่ไปอย่าให้จบตั้งนานแล้วไปกับไปโซกันอีกกับไม่ได้หลับได้นอนแลลวอ่ะเผาหน้าเด้อ <laughs> วุ่นวายยังไหนเนาะโดนๆมาเจอกันเทื่อนหนึ่งเนาะอฮาวันศีละเถื่ อ, อวันศีละเทื่อนามาเจอกันกัดซอกันนั่นแหละนะหมู่เพื่อนก็นร่วงไปเรื่อยร่วงไปเรื่อยนี่เมื่อวานก็ได้ยินวนะ่าสองเนาะเมื่อรู้ใครบ้างก็ไม่รู้แหละเออวันนี้คนนั้นไปวันนั้นคนนั้นไปวันนี้ท่านไปต่อไปเราท่านจะไปเราก็จะไป ท่านไปก่อนเราไปตามหลังมันไม่ใช่เรื่องแปลกดอกพิจารณา ม, มรณาสติเข้าไว้เป็นกรรมฐานนะอ้าวกับซะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟบันไดนุ่น